นี่แต่มาถึงกี่โมงวันนี้ครับมาถึงสกลนครกี่โมงอืมเจ็ <7. 45. S 2> แล้วมากับใครอ่ะน้องแก้ ว, กวได้ที่พักหรือยังพักที่ไหนอ่ะวิมุติศาลา อยู่ ใ, ใกล้เซนาสนาป่ากลับวันไหนนะวันที่ทอ๋อสิบเก้นยี่19 20ก็ดีแล้วเอาของไว้ตรงนั้นกลางวันก็หลีกเล่นเอานะอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงนั้นก็สงบดีที่จริงมาถึงนี่แล้วก็สงบเท่านั้นแหลนะเนาะต่างจากกรุงเทพเยอะนะนะ อย่างนี้ไม่ได้ดูข่าวเลยนะไม่รู้หุ้มห่อมหุมห่อมไปถึงไหนแล้วแค่รับข่าวสารมาเนี่ยจิตใจมันก็รุ่มร้อนแล้วอดคิดไม่ได้เป็นห่วงเป็นใยกังวลคิดปรุงแต่งนี่พระพุทธเจ้านี่ท่านสอนเข้ามาหาจิตตัวเองนะอ้าวเมื่อมาถึงวัดแล้ว วัดนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพาสาวกของพระองค์อยู่ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่บำเพ็ญสมณธรรมส่วนพระองค์ก็ทำ ท, กทำพุทธกิจทำพุทธกิจหมายว่าทำหน้าที่ของพระองค์ไปสาวกของพระองค์องค์ไหนที่ยังไม่หลุดพ้น ก็มีหน้าที่ส่งเข้ามาดูจิตตัวเองอเวลาธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยมันมาศึกษาที่จิตเลยนะที่จริงไอ้ตัวเรานี่แหละคือธรรมะมันไม่ใช่ข้างนอกเราไปอ่านเราศึกษาก็เพื่อให้รู้วิธีรู้หนทางที่ให้จิตของเราเนี่ยกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราได้เมื่อจิตของเรามันเข้ามาอยู่กับตัวเราเนี่ยเราถึงจะเห็นว่า ไอ้เรื่องราวต่างๆเนี่ยที่มันครอบงําจิตได้เนี่ยก็เพราะว่าจิตของเราไม่มีสมาธิเพราะสติไม่มีกําลังพอสติไม่ต่อเนื่องเมื่อสติไม่ต่อเนื่องสติก็ควบคุมจิตไม่อยู่พอสติควบคุมจิตไม่อยู่จิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ต้องไปรู้อารมณ์มันไปรู้อารมณ์แล้วก็น้อมไปสู่อารมณ์ไปหาอารมณ์ด้วย แล้วก็เอาอารมณ์นั่นแหละมานึกคิดปรุงแต่งตัวจิตนะไปเอามาแต่ถ้าใครไม่รู้ก็จะไปโทษเรื่องข้างนอกไปโทษคนนั้นไปโทษคนนี้ไปโทษสิ่งแวดล้อมว่าสิ่งแวดล้อมนี่กุ้มลุมสิ่งแวดล้อมบีบคั้นสิ่งแวดล้อมกดดันแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าชี้ลงมาเลยเป็นพรอจิตของเธอจิตของเธอ เพราะเธอนี่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเธอประมาทเธอคือผู้ประมาทเธอก็เลยมีทุกข์ขึ้นมาเพราะจิตของเธอเมื่อไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตของเธอก็ส่งออกไปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของจิตที่ต้องไปรู้อารมณ์น้อมไปสู่อารมณ์แล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ทั้งหมดมาจากจิตของตัวเองนี่พระพุทธเจ้าสรุปลงตรงนี้เลย เพราะนั้นถ้าอยากศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าให้ศึกษาลงที่จิตของตัวเองถ้าไปศึกษาข้างนอกไปโทษแต่ข้างนอกอันนั้นมันใช้ไม่ได้แล้วนั่นล่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วใช่ข้างนอกก็มีส่วนอยู่แต่ถ้าจิตของเรามันมั่นคงแล้วจิตของเรามีสติควบคุมแล้วมีสมาธิแล้วจิตเรามีปัญญาเกิดขึ้นแล้วจิตเราปล่อยวางได้แล้วปัญหาไม่เกิดกับจิตของเราแน่นอน เพราะฉะนั้นต้นเหตุจริงๆอยู่ที่จิตถามตัวเองได้เลยว่ามันเคยสัดโทษออกไปข้างนอกไหมเวลามันมีทุกข์ถ้ามันยังสัดโทษออกไปข้างนอกนั่นแสดงว่ามันยังไม่มีสัมมาทิฏฐิเพราะมันยังไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วไปจากจิตของเราเองทางนั้นเพราะเรานี่ ขาดสติอันดับแรกเลยสติไม่ต่อเนื่องสติไม่ติดต่อขาดสติก็คือขาดความเพียรขาดความเพียรขาดศรัทธาพวกเดียวกันหมดเลยศรัทธาแต่ว่าศรัทธาแต่ชื่อพอให้รู้ว่าเราเนี่ยพอมีทุกข์ขึ้นมาก็เออมองหาว่าออพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงจะไปฟังธรรมที่ไหนจะไปวัดไหนแต่ตอนที่มันสุขสบายอยู่มันขี้เกียจนะมันผัดวันประกันพรุ่ง มันเห็นอย่างอื่นสำคัญกว่าปฏิบัติเมื่อไรก็ได้หรือไม่งั้นก็คือว่ามันบังคับควบคุมตัวเองไม่ได้นี่คือความประมาททั้งหมดนี่เรามาวัดเนี่ยมันทำให้ได้ละลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาละลึกถึงคำสอนของพระองค์ขึ้นมาแล้วละลึกถึงหน้าที่ของสาวกของพระพุทธเจ้าว่าควรทำยังไง จึงสมกับเป็นสาวกของพระพุทธเจา้าในเมื่อเรามาวัดมันก็ทำให้นึกถึงพระองค์ขึ้นมาสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่พระองค์ก็สอนให้สาวกขององค์ปฏิบัติที่จิตกรรมฐานหรือการกระทาการงานฐานแห่งการกระทำฐานแห่งการงานการงานที่ถูกต้องการงานเพื่อที่จะดับทุกข์ภายในจิตของตัวเอง ก็ต้องจาะเข้ามาที่จิตนี่แหละมีสติไว้รักษาจิตไว้ทีนี้ไอ้จิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไปทําสิ่งที่ไม่ดีไม่ถูกต้องมันสงบยากมันไม่มีสมาธิมันไม่สบายเมื่อไม่สบายมันเป็นทุกข์สติก็ควบคุมจิตไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นท่า น, นึงสอนให้มีทําความดีรักษาศีลรู้จัก แบ่งปันรู้จักช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นแล้วก็มาสำรวมกายวาจาของตัวเองทาในสิ่งที่มันถูกต้องมีความประพฤ ต, ติถูกต้องมีมารยาทถูกต้องระมัดระวังจิตไม่ให้ไปเกี่ยวข้องในสิ่งที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจร่างกายก็ไม่ต้องไปดูมันไม่ต้องไปฟังมันเนี่ยไอ้ส่วนของร่างกายกําลังบังคับไว้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้อง แม้เกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้คนที่ไปเกี่ยวข้องเราฟุงา้งซ่านจิตใจเรามันไม่สงบจิตใจเราวุ่นวายก็ต้องยับยั้งไว้หยุดนี่เรียกว่าโคจระสัมปนโนรู้จักอะไรควรเกี่ยวข้องอะไรไม่ควรเกี่ยวข้องเมื่อกายมันไม่ไปเกี่ยวข้องอย่างเรามาวัดอย่างนี้เนี่ยกายมันมันหลีกออกมาแล้วนี่เขเรีรว่ากายยวิเวกอยู่คนเดียว อย่างยิ่งอยู่คนเดียวให้มากมากนี่เป็นการปฏิบัติธรรมต้องพยายามอยู่คนเดียวมากมากอยู่คนเดียวอย่างยิ่งทางจิตใจก็ไม่ต้องให้จิตใจไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกมันไปก็ต้องมีสติรู้ทันควบคุมมันไวเมื่อสติควบคุมจิตจิตมันก็ต้องจ่อเข้ามาข้างในทีนี้จ่อเข้ามาข้างในพรอนเข้ามาอยู่ข้างในเรื่องข้างนอกก็ค่อยเบาลง เบาลงเบาลงเราจ่อไว้จ่อไว้นี่ไอ้ที่มันเบาลงเพราะว่าจิตมันมามามาอยู่ข้างในมาอยู่ข้างในก็มาอยู่ที่อารมณ์เดียวพอมีอารมณ์เดียวเป็นสมาธิอารมณ์อื่นๆก็ค่อยดับไปดับไปดับไปต่อมาจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาสังขารที่เคยปรุงแต่งจิตดับไปหมดนี่เริ่มสบายขึ้นมาแล้วนี่แหละทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ ถ้าใครรู้ทางแล้วไม่ปฏิบัติอย่างนี้มันมันน่าจะโดนไม้นาดสามนะถ้าไม่รู้ทางก็ศึกษาให้เข้าใจแล้วปฏิบัติเมื่อรู้ทางแล้วต้องพยายามปฏิบัติเมื่อปฏิบัติพู้เจ้าก็สอนให้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นต้องพยายามพยายามให้มากพยายามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก้าไปข้างหน้าแล้วย้า้มันถอยหลัง ตั้งแล้วอย่าให้มันล้มนี่ความเพียรของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ของเรานี่ตั้งขึ้นมานิดนึงนอ่ะพอผ่านทีวีหน่อยอา้าดูข่าวก่อนเนี่ยผ่านตู้เย็นหน่อยอา้าอะไรอะไรอไร่อยมารับประทานก่อนดื่มก่อนน่นเดินไปเดินมาเ้ยช้อปปิ้งก่อ น, นไปทดสอบจิต ด, ดูสิเนะ ว่าเรามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนนะมันอยากไปหลือมันเอานู่นเอานี่มาอ้างแล้วมันหลอกแล้วทีจริงมันอยากไปดูอยากไปเที่ยวอยากไปเพลิดเพลินมันอ้างว่าจะไปทดสอบจิตนี่กิเลสมันหลอกทดสอบคือไม่ไปหยุดเพียรปฏิบัติเอาซี่นี่ทดสอบโดยตรงเลย มีโยมคนหนึ่งเขาถามบอกว่าถ้าขี้เกียจจะแก้ยังไงเขาว่าอย่างนี้เอออย่างดีนะเขาก็ยังคิดอย่าปฏิบัตินั่นอ่ะอย่ามีความเพียรบอกว่าถ้ามันขี้เกียจเหรอให้ขยันเลยปฏิบัติเลยเอาชนะมันทันทีเอานี่มันเป็นความจริงเหมือนพูดเล่นแต่มันจริงๆแล้วก็ตั้งใจสำทับไวเ้เลยเรือที่ิฐานสำทับไว้เลยถ้ามันขี้เกียจเมื่อไหร่จะปฏิบัติทันที เอาจนมันหายหน้าหายตาไปเลยเจนมันไม่กล้าขยับเลยพอทําท่าอยากอ้อยสร้อยอ้อยอิงอยากพักพ่อหลับนอนอยากผัดวันประกันพุง่งลุยเลยนี่อย่างงี้มันจะอยู่ได้ยังไงอ่ะเราเข้มแข็งกว่ามันเราอยู่เหนือมันเราก็เอาชนะมันนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าก็คือตัวเรานั่นแหละมันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าจะมาปฏิบัติให้ไม่ใช่ครูบาอาจารย์จะปฏิบัติให้ชีทางให้เฉย ส่วนการลงมือปฏิบัติเป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดแล้วเราจะไปรอให้ใครอ่ะมาปฏิบัติให้มันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นธรรมะก็คือตัวเรานี่เองเวลาปฏิบัติก็คือเริ่มมีสติไว้คุมจิตไว้ถ้าจิตอยู่กับตัวเราได้ มันก็จะอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนีมีอารมณ์เดียวแล้วนี่มีอารมณ์เดียวอารมณ์อื่นมันก็จะดับไปนี่คือตัวสมาธิถ้าไม่ทําอย่างนี้มันก็ไม่มีสมาธิสิจะไปนั่งคิดเอาไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราแต่มันไม่มีสมาธิอะคิดไปมันก็ไม่เข้ามาในจิตมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเป็นสมาธิแล้วนี่นึกขึ้นมาได้นึกขึ้นมาก็มองดูด้วยมองดูล่างกายด้วยมองดูตัวเราด้วย ถ้ากําลังมันพร้อมก็เห็นดิเออร่างกายก็เอออยู่ของมันจริงไม่ใช่เราจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราจริงเนี่ยมันมีความความจริงรองรับอยู่อะแต่ถ้ากําลังสมาธิไม่มีลอยเลื่อนลอยไปไปถางหนอยเอ อ, อีกหน่อยก็จะสงสัยว่าไหนว่าไม่มีตัวเราเนี่ยแล้วใครนั่งอยู่นี่เออสงสัยอีกแล้วใครเจ็บใครปวด ใครทุกเน่ก็เป็นเราทุกไปหมดอ่ะถ้าจิตเป็นสมาธิจิตมันก็จะรวมกันรวมเข้ามาเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งมันก็มาอยู่กับจิตที่นี่มาอยู่กับจิตจิตก็จะแยกออกมาจากกายจากเวทนาหรือแม้กระทั่งจากจิตจากธรรมมันก็มองดูอยู่เฉยๆได้ ตอนแรกก็เป็นสมถะก่อนคืออยู่ที่อารมณ์เดียวอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่คือตัวสมถะมันตามอารมณ์อยู่เพราะว่ามันมั น, ม, นมันปล่อยไม่ได้ถ้าปล่อยแล้วมันหลุดปล่อยแล้วหลุดนึกคิดปรุงแต่งฟุง้งซ่านไปนู่นไปนี่หนีเพราะนั้นก็ต้องคุมไว้ก่อนเมื่อคุมได้แล้วคราวนี้ปล่อยมันปล่อยแล้วมันไม่หลุดที่นี่ปล่อยแล้วดูเฉยเฉยได้นี่ขึ้นสู่สติสัมปชัญญะหรือสติปัญสีแล้วที่นี้ ไม่ขั้นหนึ่งแล้วนี่เรื่องเริ่มเจริญสติสัมปชัญญะแล้วหรือถ้ามันพักอยู่ตอนที่มันจะออกมาเอามาดูสติปัฏฐานสี่หรือขันห้านี่ก็ถูกต้องทีนี้ถ้าหาว่าสติมันจเจริญขึ้นสติสัมปชัญญะมันมีกําลังขึ้นมาแล้วมันจะมีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมา รู้อะไรว่าควรไม่ควรรู้ว่าทำยังไงจิตของเราจริงจะอยู่กับตัวเราอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำมันจะเข้าใจอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมเนี่ยทำยังไงจิตจริงยังไม่เผลอมันจะค่อยๆรู้มากขึ้นมันก็พยายามให้จิตอยู่กับตัวเรามากขึ้นมากขึ้นนะสติสัมปชัญญะเจริญขึ้นจเจริญขึ้นสตีดีสตีมีกาลังใจก็มันม่นคงมั่นคงก็ตั้งมั่นขึ้นมา ตั้งมัน่นนี่หมายว่าสมาธิมีกําลังแล้วทีนี้อะไรเกิดขึ้นไม่มีผลต่อจิตเนี่ยมันไปตามลําดับนะถ้าว่าอะไรเกิดขึ้นจิตเรายังวิ่งตามไปอยู่ยังเอามานึกคิดปรุงแต่งอยู่อันนี้แสดงว่ามันวิ่งตามอารมณอยู่อารมณ์ทั้งหลายยังมีผลต่อจิต แต่ถ้าาว่าจิตมันตั้งมั่นแล้วมัน ม, มีอิทธิพลต่อจิตไม่มีผลต่อจิตจิตก็ดูเฉยๆได้เลยเอารมณ์อื่นครอบงาจิตไม่มีเพราะนั้นจิตมันก็เหมือนกับตาใจมันถูกเปิดออกมามันก็เห็นเนี่ยมองเห็นเหมือนมองเห็นอะมองเห็นด้วยจิตนี่แหละเอาจิตมาส่องดูลางกายก็รู้สึกว่าร่างกายมันก็นั่งอยู่ของมันเนี่ยถ้าดูทั้งก้อนก็จิตเป็นผู้ดูอยู่รู้อยู่ เหมือนร่างกายไม่ใช่ของเราจะดูเป็นส่วนๆก็ได้ดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังหรือดูเยื่อบดต่างๆดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยจิตมันก็จะเป็นผู้มองดูอะลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็หายใจของมันเนี่ยมันก็ค่อยเห็นไปเรื่อยๆว่าออมันไม่ใช่ของเราจริงร่างกายกับจิตก็คนละส่วน ไอ้ร่างกายก็เป็นร่างกายมันก็อยู่ของมันไอ้ตัวจิตก็เป็นธาตุรู้มันก็ดูไปอะไรเกิดขึ้นตัวที่ไปรู้คือตัวจิตเนี่ยสติก็ทำให้จิตรู้สมาธิก็ทำให้จิตเป็นหนึ่งปัญญาก็ทำให้จิตเห็นความเกิดดับของรูปนามไม่ควรยึดมั่นถือมันสิ่งดใดไอ้ตัวรู้คือตัวจิต ตัวอื่นๆก็เป็นตัวประกอบทําให้จิตมันรู้มากขึ้นรู้ด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแล้วก็จิตก็จะปล่อยวางในเรื่องของจิตทั้งนั้นเลยเรื่องของเราทั้งนั้นเลยนั่นเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติที่จิตของเราจะปฏิบัติที่ไหนถ้าถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็จ่อเข้ามาที่จิตของเราสิ ถ้าหากว่าเราอยู่ที่บ้านที่เรือนมันไม่ค่อยสงบเรามาหาสถานที่อันนี้ก็ถูกต้องท่านกบพู้เจ้าก็ตัดเอาไว้แล้วนี่กายวิเวกนะก็ต้องลีกออกมาทางกายก็ต้องห่างไกลจากสิ่งเย้าวยวนสิ่งรบกวนแล้วก็จิตวิเวกทางจิตก็ไม่ต้องไปส่งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องข้างนอกให้มันเข้ามาอยู่ข้างในนี่เพราะมีสติสำรวมจิตอยู่เงี้ย เอาในสิ่งแวดล้อมก็ธรรมดาอยู่ร่วมกันก็ต้องมีบ้างเกี่ยวข้องกันบ้างอะไรบ้างแต่เราทยายามสำรวมจิตให้มากที่สุดทเท่าที่จะมากได้เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็เป็นสัตว์สังคมก็ต้องมีการอยู่ร่วมกันบ้างถึงเวลาก็หลีกเล่นคุกคีให้น้อยนี่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติพยายามปฏิบัติอยู่กับตัวเองให้มาก ไม่ควรดูก็ไม่ต้องไปดูไม่ควรพูดไม่ต้องไปพูดไม่ควรฟังก็ไม่ต้องไปฟังหาทางหลีกเล่นออกไปนี่ต้องเป็นอย่างนี้นธนวัตกายวิเวกจิตวิเวกเป็นไปเพื่ออุปทิศวิเวกเพื่อให้หมดอุปทานอุปทานก็อยู่ในจิตคือจิตเราไปยึดมันยึดเรื่องอะไรก็คือส่งใจไปบ่อยๆคิดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆ พูดถึงเรื่องนั้นบ่อยๆนี่หละอุปทานแล้วเรื่องนั้นเข้ามาอยู่ในจิตแล้วปรุงแต่งเรื่องนั้นบ่อยๆแล้วทีนี้เรื่องนั้นก็บีบคั้นจิตบ่อยๆมีอิทธิพลต่อจิตบ่อยๆเรื่องของจิตทั้งหมดเลยที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะจิตของเราเนี่ยมันมันคิดเรื่องอะไรบ่อยๆใช่เรื่องนั้นแหละเอาเข้ามาแล้วส่งใจไปบ่อยๆใช่ พูดถึงมันบ่อยๆใช่อยากดูมันบ่อยๆอยากได้มันบ่อยๆอยากเห็นมันบ่อยๆใช่หมดนี่แหละตัวอุปทานอยู่ที่จิตเราก่อนแต่นั้นก็ทนไม่ไหวก็ต้องทําตามมันถ้าไม่ทําตามมันมันทุกข์มันทรมานมันบีบคั้นทั้งทั้งที่ไม่มีตัวตนอะไรนั่แต่ถ้าคนที่มีกําลังจิตพอเห็นตั้งแต่ที่แรกเลยอ้าวนี่นี่มันไปอยากแล้วนี่มันไปสนใจแล้วนี่หยุดหยุดยุดพอพไม่ได้ก็ไม่ตาย ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ตายข้าวเรามีรับประทานรับประทานเหนื่อยก็พักผ่อนหลับนอนยิ่งถ้าได้ปฏิบัติทมด้วยจิตยิ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมันจะไปพึ่งอะไรกับพวกวัตถุข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้สอยหรือว่าบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็พึ่งอยู่แต่ว่าไม่ใช่พึ่งทั้งหมดไม่ใช่เป็นสิ่งที่พึ่งแล้วจะให้ออกจากทุกข์ได้พึ่งพอได้อาศัย แล้วให้เรามีโอกาสได้ปฏิบัติจิตของตัวเองเพื่อให้จิตของตัวเองเนี่ยมันพ้นไปจากทุกข์ให้มันหมดปัญหาในจิตนี่เพื่อมันจะได้ไม่มีทุกข์ในจิตนี่ธรรมะของพุทธเจ้ามันตรงมาที่นี่นะนี่มันยึ่งเข้ามาสังเกตดูว่าจิตของเราเนี่ย มันมันตอนนี้มันมีอารมณ์ค้างคาอยู่ในจิตไหมมันเปนเรื่องอะไรเอาอะไรมาไหมนี่ถ้าเอามาแสดงว่ามีอุปทานแล้วไปยึดแล้วเราก็ต้องสอนมันไม่เกี่ยวข้องตายไหมไม่เอาสิ่งนี้ตายไหมหรือว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเฉพาะเวลาที่ควรเกี่ยวข้องเท่านั้นหมดเวลาแล้วต้องวางมันได้หยุดมันได้ มันก็สบายขนาดนี้ก็เพราะว่าคนเรายังมีชีวิตยอยู่ก็ต้องมีการเกี่ยวข้องกันกับสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่มีการมีงานมีเรื่องราวที่ต้องจัดต้องทำอันนี้เป็นธรรมดามันต้องมีแม้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงสอนสาวกเนี่ยสอนพระราชาสอนประชาชนสอนเหล่าเทวดาทั้งหลายนัไปโปรดผู้ที่ อยู่ในข่ายพยานเนี่ยพว์ก็มีภารกิจของพวกมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีไม่ทำอะไรเลยมันก็ทำแต่ว่าทำด้วยจิตใจแบบไหนทำด้วยจิตใจที่มีทุกข์หรือไม่มีทุกข์ทำแล้วจิตใจมันยึดติดข้องหรือว่ามันปล่อยวางได้เอาเข้ามาตรงนี้เล ย, เยถ้าทำแล้วมันวางได้เอามันก็ดับไปมันก็สบายขึ้นมาถ้าทาแล้วมันไปติด เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ติดเรื่องนี้ก็ติดนั่นแสดงว่าจิตของเราไม่ฉลาดแล้วไม่ฉลาดก็คือโง่โง่ก็คือมีตัวตนมีหลงยึดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราอะไรมากระทบก็เป็นกระทบเราไปหมดเลยถ้าไล่ไปก็คือว่าเนี่ยขาดสติแล้วสติไม่มีกําลังแล้วควบคุมจิตไม่อยู่แล้วขาดปัญญาไม่รู้ความจริงตราบใดที่เรายังอยู่ในสิ่งแวดล้อม มันก็ต้องกระทบกันแน่นอนเพราะเราก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็ต้องเห็นหูก็ต้องได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายทูกต้องสัมผัสจิตมันก็นึกอะไรขึ้นมาก็กระทบจิตได้หนีมันพ้นเหรอเรื่องเรื่องราวต่างๆปัญหาต่างๆหนี้ไม่พ้นหรอกพ้นได้ยังไงพ้นทางจิตควบคุมจิตได้เห็นสิ่งเหล่านี้มากระทบถ้าเห็นมันมันก็จะดับไปเห็นมันเกิดเห็นมันดับไปนี่คือจิตมีกําลังแล้ว มันไม่ดับเพราะเรามีอุปทานคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆพูดถึงบ่อยๆ อ, อยากบ่อยๆนี่แหละตัวอุปทานนี่แหละต้นต้นเหตุของความทุกข์อยู่ตรงอุปทานนี้จะเล่าอุปทานได้สติก็ต้องดีสิต้องทันดิตอนนี้จิตเราอยู่ยังไงมีอะไรเกิดขึ้นกับจิตบ้างเห็นเห็น เห็นเมื่อไหรมันก็มันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันก็ไม่เข้ามาในจิตทําให้เห็นมันมันเข้ามาตั้งนานแล้วปรุงจนบีบคั้นเราหัวสุกหัวสุนแล้วเราถึงได้รู้เรื่องรู้เรื่องก็โทษข้างนอกที่นี่นั่นเวลาปรุงแต่งกับปรุงแต่งเพราะคนนั้นเพราะคนนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นน่าเป็นอย่างนี้เราไม่ทําอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนั้นมันเอาคืนไม่ได้อย่างนี้ สติจอเข้าไปเลยไหนหน้าตาเป็นยังไงมันมาได้ยังไงความคิดเนี่ยจ่อจนเห็นอาการของจิตนุ่นทีนี้จิตพอมันเริ่มขยับตัวเราเห็นอะไทีนี้เห็นอ้าวอานี่นี่ไปจากจิตนี้เองไปจากจิตทีนี้มันก็เลิกโทษข้างนอกพอจิตของเราไม่มีกําลังนี่เองเพราะจิตของเรามีอุปทาน เวลานั่งภาวนาก็พยายามอย่าให้มันหลับนะหลับต้องลืมตาลืมตาไว้ทํายังไงก็ได้แฮมตื่นไว้ก่อนอย่าให้มันหลับหลับนี่เขาเรียกว่าถีนามิทะถีนะความง่วงเหงาซึมเศร้ามิทะความหดหู่ถีนามิทะง่วงเหงาซึมเศร้าหดหู่หดหูนี่ความเพียรก็หายด้วย ไม่ได้อะไรนั่งสัปรง ก, งกงกงันจิตเลื่อนลอยจิตเผลอเพลนไปไม่ได้อะไรต้องให้ตื่นไว้ให้รู้ตัวไวนี่ส่วนใหญ่นี่แหละมันมีนิวรณ์ด้วยเหมือนกันบางชีแม่ชีก็เป็นแม่ชีก็มีนิวรณ์เหมือนกันต้องให้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เป็พระก็ต้องระวังเหมือนกันนิวรณ์ก็มาเหมือนกันนัเพราะฉะนั้นถ้าข้ามนิวรณนไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อออพอรู้วิธีเข้าใจวิธีแล้วตั้งใจปฏิบัติที่นี่นี่มาวัดก็มาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ถูกต้องแล้ว ผมก็สอนให้มาดูตัวเองดูตัวเองก็คือดูกายดูใจนะแล้วเรื่องเรามันก็มาจากใจเราเพราอในสติต้องควบคุมจิตไว้ให้รู้ตัวอยู่ตลอดรู้ตัวแล้วมันควรจะดูอะไรก็ให้มันดูกายเวทนาจิตธรรมนี่สติประฐานทั้งส ตัวนะนเดี๋ยวเราจะหยุดแล้วดูตัวเองเป็นโอกาสสุดท้ายเลยนะวันนี้เราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วการปฏิบัติของเราเป็นยังไงดูให้ชัดเจนดูให้รู้อันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยพอใจการกระทาของตัวเองเราได้ทำหน้าที่ของสาวกของพระโอษฐ ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ต้องเอาการกระทำของเรานีหละ่ะเป็นพยานเป็นหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติทำจริงเมื่อปฏิบัติแล้วจิตเราอยู่ยังไงก็ต้องเข้ามารู้อะไรเกิดขึ้นจิตเราดูเฉยเฉยได้ไหมจิตเราทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้ได้ไหม ถ้ายังไม่ได้ก็แสดงว่ากำลังยังไม่พอถ้าทำได้แล้วก็แสดงว่าจิตมันก็เริ่มมีสติสัมปชัญญะรู้แล้วมันเห็นไหมว่าไม่ใช่ของเรามันเป็นพัตไตรลักษณ์เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นว่าเมื่อมันมีเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมัน ไม่ใช่ของเราบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เราจึงมมีหน้าที่แค่ดูเฉยๆดูเฉยๆการที่จะดูเฉยๆได้จิตต้องมีกำลังนะมันต้องปฏิบัติให้มากทำมาใหม่ๆมันยังไม่ดูยังไม่ได้หรือว่ามันยังไม่ ถ, ถึงเวลาที่ปล่อยวางเราก็พอใจว่าเราได้ปฏิบัติ ต, ตามคำสอนของพระพุทธเจา้าแล้วได้ขนาดนี้เราก็พอใจ แต่เราจะพยายามปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มากขึ้นแล้วก็ย้ำกับตัวเองนะข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอรยิยสัจธรรมจนพ้นจากทุกข์ในวัตฏฏสงสารได้เถิดแล้วก็รวบรวมกําลังบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาไว้ที่จิตของเราเตรียมอุทิศบุญแล้วก็ให้ตั้งใจอุทิศบุญอุทิศบุญด้วยตัวเองก็แล้วกันนะเราวันนี้พอแค่นี้นะไปปฏิบัติกันตามลำพังนะ มุติสาลานั่นแบบกุญแจห้องเก็บของอ่ะมีไหมใครใครเก็บกุญแจไว้อ่ะเห็นมีล็อกนะล็อกกุญแจนะเฮ้เอมีมีใครร hey, ู้เรื่องบ้างเออฮะอ้าวทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ ไม่ได้ฝากคุณแจ้ไว้หรอเอ้เอาของก็ก็เอาไปเก็บเป็นสัตว์เป็นส่วนก็เปิดให้คนใช้สินาะห้องไหนก็ตามก็เปิดให้คนอื่นเขาได้ใช้สิเนี่ยตัวทำให้วัดก็ยังจะมาหวงอยู่อ่ะ เอเออ๋อไว้ก็ไว้สิก็เก็บไว้ก็เขียนอะไรเอาไว้ให้คนเขาได้ใช้ห้อง mm hmm. โยมเพนนี่ไม่ได้เรื่อ ง, องเออเอาเรื่องมากก็ได้จก120ดักรอยี่สิบเด้อมันคือชีอไว้ยดอกร่างกายมันคือปฏิเสธมันอยู่ทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมเราไม่ชอบ ไม่ยังนี่ไงเอาคนถวายเอามามันคืออะไรอ่ะเทียนเหรอเอเอาวางก็ อ, อุทิศบุญได้เลยนะเออไม่ต้องประเคนหรอกไอ้ของแบบนี้เรารับละนะรับแล้ว อ, อุทิศบุญก็ได้บุญแล้วเอาไปใช้ได้าไปใช้ ลืมเพนยังเป็นคนอย่างนี้ว่ะใจครับแคล